พันที่9พฤศิกายนพศ2540การบรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายอุปสมัยะสังยุตปติจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตย์ภารพบในช่วงหลังนี้จะเป็นการบรรยายสรุปพระสูตรที่เกี่ยวกับปติจจสมุปบาทท่านที่ ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง mm. ก็อาจจะฟังยากกว่าท่านที่ติดตามต่อเนื่องหน่อยนะครับ mm. สําหรับในเอกสารที่แจกวันนี้ความจริงก็เป็นเอกสารชุดที่ใช้แทนเอกสารชั่วคราวแจกคราวที่แล้วการเรียนประเด็นนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสําหรับเนื้อหาที่มุ่งแสดงในเอกสารชุดนี้ต้องการจะประมวล ปฏิจจสมุปบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสอย่างเต็มองค์สิบสองซึ่งมีอวิชชาเป็นต้นจนถึงชลามรณะเป็นองค์สุดท้ายคือองค์ที่สิบสองเพราะว่าปฏิจจในบทเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งองค์น้อยองค์มากสององค์สามองค์ก็มีจะได้ประมวลในแง่ต่างๆ มาให้เป็นข้อสังเกตศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับต่อไปสำหรับองค์สิบสองนั้นทรงสแสดงไว้ในพระสูตรหลายสูตรจากสูตรหนึ่งร้อยสี่สูตรนะครับประเด็นที่หนึ่งได้พูดแล้วเมื่อคราวก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฏิจจสิบสองโดยสแสดงวาระสองวาระสองหมายถึงสมุทัยาวาระสายเกิด ว่าวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายชนะสลายชนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชราเมรณะนี่เป็นสายเกิดสายเกิดสายเกิดก็หมายถึงว่า สายสังสารวัตรที่เราเวียนว่ายใจเกิดกันอยู่ปฏิจจาก็ทำงานโดยลำดับอย่างนี้เพราะปฏิจจาก็คือตัวเราตัวเราก็คือปฏิจจ์และตัวเรานั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยภายในให้กับอัตภาพของเราหมุนวนอย่างนี้จากนั้นได้ทรงแสดงปฏิจจาสายดับสายดับคือการทำให้สังสารวัตรนั้นหมุนกลับเป็นการปฏิวัติสังสารวัต ให้เราไม่ต้องเวียนว่ายแตเกิดหรือพ้นจากความทุกข์โดยลำดับด้วยการดับอวิชชาไปตามส่วนตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสมบูรณ์และเมื่ออวิชชาดับอย่างอื่นที่เกิดจากอาวิชชาอย่างอื่นที่เกิดจากอย่างอื่นโดยลำดับต่อไปจนถึงชลามระก็ถูกจํากัดให้แคบเข้าจนกระทั่งถึงพ้นจากชลามระไปเลย าการแสดงปฏิจจ์สายเกิดและสายดับอย่างนี้ก็มีอยู่ในหลายๆสูตรครับตามที่อ้างไว้แล้วนะฮะสูตรหนึ่งสองสามสี่จนถึงสูตรสิบแล้วก็สูตรอื่นๆ อ, อ, อีกนะครับสำหรับตัวเลขสูตรวัวหนะึ่งสองสามเนี่ยคือสูตรที่ท่านอาจจะยังไม่ได้สรุปสูตรอย่างครบสมบูรณ์ จะทำมาแจกใจ่ายให้ภายหลังเหมือนเป็นสารบัญเนื้อความสังเกตตั้งแต่สูตรหนึ่งั้งสามแล้วก็สูตรไหนชื่ออะไรบ้างก็จะดูได้โดยสะดวกตอนนี้ก็รู้เราๆอย่างนี้ไปก่อนนอกจากนั้นยังได้ทรงแสดงปฏิจจาสายเกิดสายดับในลักษณะที่กำหนดคุณค่าทางการปฏิบัติไว้ปฏิจจาสายเกิดเนี่ยเป็นมิจฉาปฏิปทา คือเป็นการปฏิบัติผิดปฏิจจาสายดับเป็นปฏิจจาสายถูกเรียกว่าสัมมาปฏิปทาสำหรับมิจฉาปฏิปทาเนี่ยเราได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวเนี่ยปฏิบัติสายผิดอย่างดีเพราะสายผิดนั้นชอบความไม่รู้เป็นการทำโดยปริยาย แล้วก็จะเห็นว่าปฏิจจาสายผิดเนี่ยที่ผิดที่สุดก็คือปฏิจจาที่เป็นชีวิตของสัตว์ในอบายภูมิชั้นต่ำสุดนี่ถือว่าเป็นปฏิจจาสายผิดที่สุดอ่ะ อ, อบายภูมิสี่นะผิดมากผิดน้อยก็ลดหลั่นกันมาอวิชาหนาที่สุดนามรูปที่หยาบที่สุดชรลามรณะที่หยาบที่สุดก็คืออัตภาพของ สนรกสำหรับมนุนษย์เหล่านั้นอยู่ตรงกลางสวรรค์สูงขึ้นไปจนถึงพรมโลกก็สูงขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นสายถูกกับสายผิดเนี่ยความจริงแล้วมันไอของเราเนี่ยมันก็มีทั้งสองสายนะฮะเพียงแต่ว่าอัตราส่วนตรงไหนมันมากน้อยกว่ากันสายถูกก็คือเราควบคุมวิชาบางระดับได้ วิชาเกิดขึ้นในสัดส่วนแค่นั้นนั่นเป็นสายถูกเท่าที่เราได้แล้วก็สายผิดก็คือส่วนที่เรายัางเหลืออยู่เอาวิชาอย่างที่เราเป็นอยู่ก็ปนๆกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็ทำสายถูกกลืนสายผิดใช่ไหมพอสองสายเนี่ยมันมันจะเสมอกัรแบบเต็มร้อยด้วยกันไม่ได้ ส่วนหนึ่งมากส่วนหนึ่งก็ต้องน้อยส่วนหนึ่งน้อยส่วนหนึ่งก็ั้งมากมันกลืนกินกันอย่างนี้มันขัดกันนี่ถ้าว่าสายถูกเนี่ยดับหมดกลืนหมดก็หมายว่าสายผิดหมดเลยไม่มีเหลือคนที่พ้นจากปฏิจจะสายผิดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นคือราลาถ้าเป็นพระอนาคามีนี่เลยว่ามีส่วนผิดน้อยที่สุดปฏิจจะสายผิดเหลือน้อยเต็มที เหลือแต่ปฏิจจ์สายถูกเป็นส่วนมากนะทีนี้ไอของเราเนี่ยบางทีมันโดนไอนี่กลืนโดนนี่นี่ซึ่ก็กลืนไปกลืนมาผิดมากกว่าถูกถูกมากก็ผิดเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นสมุทรเกตุทตรรหารเป็นตทังคปาทหารเป็นวิกรรมประนาหารเนี่ยนะอวิชาเรามันก็งอกได้ขยายได้ลดได้ปัญญาเพิ่มได้ปัญญารถได้ การปฏิบัติทำการทำความดีใดๆเนี่ยจึงเป็นการขับเคี่ยวกันกับปฏิจจาสายผิดการทำความชั่วใดๆก็เป็นการขับเคี่ยวกันกับปฏิจจาสายถูกเราอาจจะทำให้เราเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยคงจะเห็นว่าบางชาติเนี่ยเราไปเกือบหลุดแล้วนะปรากนว่าไอ้ปฏิจจาสายผิดตีกลับดึงกลับมา ทำให้เราต้องมาตั้งหลักกันใหม่ถัดจากนั้นประเด็นสองประเด็นนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าที่ผมพูดบ่อยๆว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็คือกลุ่มก้อนแห่งชีวิตเรานี่เองชีวิตเราถ้าพูดอย่างสั้นอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็มันก็คือน้ำคือรูปใช่ไหมแต่เมื่อพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็คืออริยสัจสี ขยายออกมาก็คือปฏิจจ ա สมุาบาตเป็นกระบวนการวงจรของเหตุผลชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีสักแต่ว่าเป็นชีวิตหรือมีฐานะนเป็นเหตุอย่างเดียวเรือเป็นผลอย่างเดียวมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ในตัวของมันเองเพราะเหตุนั้นพระสูตรส่วนหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านี้รูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ความเกิดแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือว่าเวลากําหนดรูเนี่ยก็ต้องกําหนดรูว่านามรูปของเราหรือขันห้าของเราเนี่ยมีเกิดมีดับการเกิดกัรดับนะฮะจากตรงนี้นะคือปฏิจจพูดอย่างอีกภาษาสั้นๆก็คือขันห้าเกิดดับขันห้าย่างเกิดกันห้ายางดับนะฮะนนี้พระพุทธเจ้าทรงขยายเชื่อมต่อมาเป็น กระบวนการอย่างละเอียดจึงตรัสว่าดูในนี้เมื่อปัจจัยมีผลย่อมมีคือเมื่อเหตุทำให้ขันห้าเกิดผลคือขันห้าก็เกิดเมื่อปัจจัยไม่มีผลก็ไม่มีเมื่อปัจจัยดับผลจึงดับตรงนี้ก็คือถ้าปัจจัยที่จะทำให้ขันห้าเกิดไม่มีขันห้าก็ไม่มี ะะอย่างเราเนี่ยมุติวชาตินี้เรามีขันธ์ห้าที่เป็นมนุษย์อันตรภาพเป็นมนุษย์ชาติหน้าเรามีขันธ์ห้าเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราไม่มีขันธ์ห้าเป็นเดรัจฉานไม่มีขันธ์ห้าที่สูงกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังปรากฏตามเหตุเกิดของขันธ์ห้าอย่างที่เราเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ พอเหตุปัจจัยดับขันห้างความเป็นมนุษย์ก็ดับใช่ไหมก็จะไปเป็นอะไรนะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลของขันห้าอย่างรูปของปฏิจจ์ว่าเพราะวิชามีนั่นเองอวิชาก็เป็นหนึ่งในขันห้าอวิชาเป็นขันอะไรสังขารขันใช่ไหมใช่ สังขารเจตนาก็เป็นสังขาระขันธ์เดียวกันในแง่ขันธ์นะเป็นขันธ์เดียวกันแต่เวลามาแยกเหตุแยกผลเนี่ยขันธ์เดียวกันแต่ว่าขันธ์หนึ่งเป็นเหตุขันธ์หนึ่งเป็นผลก็เป็นปัจจัยสืบสายเป็นลูกโซ่จนถึงชาลาและมรณะนี่คือปรากฏการของขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันกรนี้ความดับขันธ์ห้า เราควบคุมเราดับอวิชชาได้ในขั้นใดๆชั้นใดๆผลที่เกิดจากอาวิชชาก็ถูกควบคุมถูกดับถูกละไปอย่างขั้นนะั่นจนทังถึงชะลามรณะก็ถูกละถูกดับไปในขั้นนั้นๆตรงนี้เมื่อเราได้อัตภาพได้ขันที่เป็นมนุษย์เราก็ชะลาและมรณะอย่างมนุษย์ เราเป็นเดรัฉานก็ชลามระอย่างเดรชานเป็นเทวดาก็ชลามระอย่างเทวดาประเด็นข้อนี้ชลาโมระเ น, นี่ยก็เหมือนทรัพย์ TF สมบัติหรือทรัพย์สินที่เรามีถ้าเรามีทรัพย์สินดีชลามมระนั้นก็กระเทือนใจเราเยอะใช่ไามชลามระมของทรัพย์สินกระเทือนใจเราเยอะถ้าทรัพย์สินไม่ดีก็กระเทือนใจเราน้อย ชีวิตเรามันก็เป็นสมบัติอันหนึ่งที่เรียกว่าอุปัติสมบัติที่เรามีอีกสูตรหนึ่งตรัสว่ากายนี้กายนี้เป็นคำสั้นที่สุดที่ ท, ทรงเรียกนามรูปหรือเรียกขันห้าคำว่ากายเนี่ยท่านหมายถึงทั้งรูปประกายและนามปากายอย่างที่ตรัสว่าสักกายยะทิพิความเห็นผิดในกายเนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียว แต่หมายถึงนามากายด้วยคือทั้งรูปทั้งนามอ่ะให้จำง่ายๆว่ากายเนี่ยเป็นชื่อของทั้งรูปลังนามในที่นี้นะครับทรงตรัสเป็นทัศนะในทางปฏิบัติหรือการกำหนดรู้ความจริงในขั้นสำคัญว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นเกิดแต่กรรมเก่าเป็นที่ตั้งของเวทนา เมื่อเหตุมีผลจึงมีเมื่อเหตุดับผลจึงดับนี่จะกําลังจะนําเรื่องเข้าสู่รายละเอียดทางปฏิจจัคล้ายๆ ข, ขันห้าเมื่อกี้ครับ เ, เราจะเห็นว่าเมื่อทรงตรัสว่ากายเนี่ยทรงตรัสว่าไม่ใช่ของใครนี่เป็นการประกาศอนัตตลักษณะของนามรูปเพื่อให้ปล่อยฮะ ให้ปลดป่อยว่านามรูปไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของใครด้วยเพราะอะไรเพราะเราที่เป็นเจ้าของก็ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของเราก็ไม่มีตัวเราที่ใครจะมาเป็นเจ้าของก็ไม่ใช่ตัวอีกเป็นกายเป็นกลุ่มก้อนกายยะคือกลุ่มกองอันหน่าเกียดอันน้าเกลียดหน้ารังเกียดทีนี้เวลาท่านแสดงเหตุเกิดกาย จะสังเกตว่าท่านใช้คาว่ากรรมเก่านี่เป็นการแสดงเรียกว่าคำหมวดเรียกขันห้ายอย่างสั้นที่สุดและแสดงเหตุหลักอย่างหลักที่สุดว่ากายนี้เกิดจากกรรมเก่าเวลาท่านพูดถึงสมุดฐานหรือเหตุเกิดของอัตภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งทรงแสดงสมุด ฐ, ฐานด้วยกิเลส ว่าตันหากิเลสหลักก็ตันหาเป็นเหตุให้เกิดอัตภาพนี้หรือบางทีเรียกทุกข์นะฮะบางครั้งทรงสแสดงด้วยกรรมกรรมและกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกายคือวิบากพูดได้ทั้งคู่ทั้งสองอย่างแล้วแต่ความมุ่งหมายในการเทศนาแต่ละที่ก็คงจะเหมือนกับเราพูดแหละครับถ้าพูดเอาเต็มก็พูดท้องอย่าง กรรมและกิเลสเหมือนปัญหาชีวิตเราความทุกข์ในชีวิตเราก็พูดสองอย่างกรรมและกิเลสของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยเหลือกันบางครั้งก็กรรมออกหน้าบางครั้งก็กิเลสออกหน้าตัวอื่นเป็นตัวอุดหนุนเวลาแก่ก็ต้องแก่ตัวตัวออกหน้าตัวตามหลังก็จะตกตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นว่าเราถูกด่าเนี่ยเป็นวิบากใช่ไหมฮะในแงอ่อภิธรรมได้ยินไม่ดีแต่ถ้าเราถูกด่าเพราะเราไปด่าเขาไว้ตั้งสิบครั้งเขาทนไม่ได้ครั้งเดียวเขาเลยด่าเราอย่างนี้นะเราถูกด่าเพราะกรรมหรือกิเลสออกหน้าอลองลองด่าวกรรมหรือกิเลสออกหน้ากิเลสกิเลสเราที่ไปด่าเขาไงละ่ะใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่ด่าเขาไม่อะไรเ้าก็ไม่เขาก็ไม่มาด่าเรา กิเลตที่เราทํามันก็เป็นมีพลังกรรมได้ว่ากิเลออกหนะ้าแต่ว่าถ้าเราเองเนี่ยโอ้โหเป็นคนไม่มีปากมีเสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนอย่างบางคนนะฮะไม่เคยนินทาใครแต่ว่าก็ถูกคนนินทาจังถูกคนด่าจังออย่างนี้กรรมเนี่ยไปเป็นลูกสะภ้ายบ้านไหนก็โอ้โหแม่ผัวเขาโขาเขาสาปเอาอะไรอนี้ด่าเช้าด่าเย็นอย่างนี้เรียกว่ากรรมก็ออกหน้าเลยที่ได้ทําไว้แต่ ปางไหนก็แล้วแต่จากนั้นจึงได้ทรงแสดงกระจายเหตุและผลออกมาเป็นโดยละเอียดกายก็ถูกแยกออกมากรรมก็ถูกแยกออกมากลายเป็นว่าทั้งกิเลสทั้งกรรมแสดงอยู่ในผืนเดียวกันอย่างปฏิจจ์นี่แหละครับถพงบอกว่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งเนี่ยเป็นปฏิจจ์คนละชุดคนละชุดคนละชุด เวลาเราพูดปฏิจจะอย่างหุ้นหนสั้นๆเข้าใจง่ายแต่พอพูดละเอียดเข้าชักเข้าใจยากก็แสดงว่าเวลาพูดถึงเหตุผลของชีวิตเนี่ยมีพูดอยาบพูดละเอียดนะฮะอยากเราก็พอเข้าใจละเอียดก็เข้าใจยากและเข้าปฏิบัติก็เลยรู้สึกว่าจะยากไปด้วย ตอนนั้นเวลาแสดงเนี่ยพุทธเจ้าจึงแสดงมากน้อยไปตามความรับได้ของคนเป็นเหตุผลนั่นหนึง่งก็คราวหน้าแหละครับท่านจะได้เห็นไอ้หน้าตาปฏิจจาว่าแบบไหนเป็ น, เ ป, นเป็นโครงออกมาเลยนะฮะจะอยู่ในเอกสารสักสองสาหน้านี้หมดแล้วก็จะมีข้อสังเกตยอย่างลงลึกในแง่ต่างๆว่าบางครั้งไอ้จุดเชื่อมของธรรมะว่าต้องแสดงอะไรก่อนแล้วโยงไปหาปฏิจจาว ปฏิจจาวงองทรงแสดงมูลอย่างเช่แสดงอวิชชาแสดงตัณหาบางทีไม่มีมูลไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาก็มีต่อไปครับผู้คนพบปฏิจจาร์เราเอามาพูดถึงตัวนี้ก่อนก็คือเวลาแสดงปฏิจจารของพระเจ้าเนี่ยบางครั้งก็แสดงเกี่ยวกับคนอื่นบางครั้งก็แสดงกับเจ้าเจ้วของเรื่องผู้คนพบก็ปรากฏว่าปฏิจจาเนี่ยมันของใครกันแน่ ลิขิตคนจะเป็นของใครกันแน่พูดอย่างสมมุตินะเพราะเมื่อปฏิจจารคือชีวิตเราปฏิจจาก็ต้องเป็นของเราสินี่แบบพระสมัยก่อนถามผู้เจ้าว่าอาวิชชาเป็นของใครชะลามรณะเป็นของใครพอจาได้ไหมชะลามรณะนี่เป็นของใครคือผู้ไงพู ด, พดลวมๆปฏิจจารเป็นของใครท่านบอกไม่ใช่ของใครคือเป็นการตอบอย่างปรมัติโวหารไม่ใช่ของใคร ก็ไม่มีสัตว์จริงๆเป็นแต่สภาวะธรรมแต่เรากําลังพูดอย่างสมมติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราหรอกหรือนสมมติเราบอกเราเป็นเจ้าของั้นเมื่อตัวเราเป็นปฏิจจาแล้วก็เป็นเจ้าของปฏิจจาร์เราเราในะเป็นปฏิจจามาแต่ตั้งนานอยู่กับปฏิจจ า, าตั้งนานเห็นความเคลื่อนไหวของปฏิจจาแปลปรนเจริญก้าวหน้าตกต่าไปด้วยปฏิจจามานับรอบไม่ท้วนเนี่ยเรารู้จักปฏิจจาร์ไหม ไม่รู้จักนับว่าเป็นข้อแปลกมากว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่กับเราทุกเมื่อเช้าวันเราไม่รู้จักคิดด้วยดีน่าแปลกนะเราไม่รู้จักเราไปมัวทําอะไรอยู่เไปมัวดูอะไรอยู่เราไปมัวศึกษาอะไรอยู่ทําไมเราถึงไม่รู้จัก เราเรียนอะไรมาเท่าไรเท่าไรเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้จักตรงนี้อะไรมันมาปกมาบังเลยมันเรื่องน่าคิดนะว่าทำไมศาสนาพุทธถึงมีอะไรพิเศษตรงนี้เหมือนถูกสงวนไว้โดยอะไรคนเรียนรู้เท่าไหรใหญ่โตเท่าไรทำไมถึงรู้ตรงนี้ไม่ได้จะมารู้ตรงนี้ได้ทำไมจะต้องต้องมาวัดอะไรเงี้ยนะต้องไปสู่ที่ใดที่หนึ่งที่ไป เป็นประโยชน์เพื่อการรู้อันนี้มันน่าคิดจริงๆแต่ไม่ต้องคิดนะพอรู้อยู่แล้วว่าถึงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทรงคนพบเนี่ยเราเห็นกันเนี่ยเราก็เห็นปฏิจจะเห็นหน้าก็คือต่างคนต่างเห็นปฏิจจะของอีกคนดูตัวเองก็เห็นปฏิจจะเกิดเวทนาก็เห็นปฏิจจะ ทำไมเราถึงไม่เห็นเป็นปฏิจจ์ต้องให้พุทธเจ้ามาคลพบนี่เรียกว่าคนเห็นในสิ่งที่คนดูแต่ไม่เห็นสิ่งนั้นสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่สิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบจึงชื่อว่าเป็นเจ้าของโดยการค้นพบไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงจงอะไรหรอกครับ ในพระสูตรจำนวนหนึ่งเนี่ยจึงได้แสดงถึงว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งยังเป็นโ พ, พธิสัตว์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ก่อนจะทรงค้นพบปฏิจจะทุกองค์เหมือนกันโดยพิจารณาว่าความแก่ทำอย่างไรคือเวลาจุดตั้งตนเนี่ยจะคนนี้ฮะอันนี้ฝากและจำเป็นข้อสังเกตไว้ว่า เวลาจะคนพบความแก่เนี่ยท่านจะปลารกความแก่คนอื่นก่อนนะไม่ได้คิดอย่างเราคิดเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะไม่แก่ไม่ห่วงคนอื่นนะคนอื่นแก่ช่างมันทําไงเราถึงจะไม่แก่มียามีวิธีแก้แก่เราก็อยากจะกินอยากจะทําของเราคนเดียวไม่ไปเที่ยวซื้อแจกคนอื่น <c oughs> แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านกลับมาคิดว่าชั้นไหนหนอสัตว์ทางหลายภู แก่ผู้เจ็บผู้ตายจึงจะพ้นจากแก่จากเจ็บจากตายที่ทรงคิดอย่างนี้และเป็นจุดตั้งต้นของการค้นพบก็เพราะว่าทรงคิดด้วยอำนาจแรงบันดาลของมหากรุณาตามวิสัยกติโพธิสัตว์ที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วมันก็มีเคล็ดในธรรมาว่าคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็มาถึงตัวเองก่อนไง อย่างเราพูดว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ใครเป็นคอยสังเกตว่าเราเอามาตั้งต้นว่าเราช่วยคนอื่นไม่ได้หรือนะว่าใครเขาขายของเราช่วยเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยไอเราต้องการบางส่วนช่วยเขาบางส่วนอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างคิดช่วยแล้วมันก็กลายมาเป็นการช่วยตัวเองนะจะไปเป็นลูกจ้างลูกอ่อนอะไรเขาก็แล้วแต่นะมันก็กลายเป็นว่าตัวเองได้อยู่รอดเนี่ยมันก็เป็นเคล็อันหนึ่งอนะฮะในแง่ของธรรมะ ทีนี้ผู้เจ้าเมื่อคิดนี้ก็ทรงคิดขยับเข้ามาว่าความแก่เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุตอนนี้เริ่มเข้ามาดูความแก่ตัวเองแลวความแก่ของเราเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุก็คนพมโอ้เพราะเกิดความเกิดมีอะไรเป็นเหตุก็ค้นไปเลยแล้วทํายังไงถึงจะพน้นก็คิดไปในที่สุดในญาณก็หลงลึกจากกินตายญาณมีอารมณ์ภายนอก ค่อยเข้ามาเป็นภายในเข้ามาเป็นจินตายญานภายในและภาวนาญานก็ค่อยๆซึมลึกเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งเกิดการละลายและเป็นสมุเทเฉทัรหารเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทุกองค์จึงเริ่มต้นอย่างนี้เหมือนกันในอีกสูตรหนึ่งได้ทรงตัดยืนยันว่า ทรงค้นพบปฏิจจสมุปบาทโดยองค์มรรคแปดเพราะเวลาค้นพบก็คือจเจริญมรรคเจริญไตรสิกขาไปโดยปริยายไม่รู้ตัวเหมือนเราไปปฏิบัติธรรมทำสมาธิเนี่ยครับก็จเจริญไตรสิกขาไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเป็นเครื่องรู้เครื่องจเจริญเครื่องเท่าถึงจึงได้ค้นพบปฏิจจสมุปบาทก็ทรงแสดงตั้งแต่ชลามโมนาจนถึงอวิชชา โดยสัจจะสีหมายความว่าคนพบว่าอาวิชชาเป็นอวิชชานะเหมือนกับเป็นทุกข์อวิชชาเกิดจากสังขารสังขารเป็นสมูทยัยจะดับอวิชชาได้ก็ต้องดับสังขารพอสังขารดับแล้วก็มรรคแปดเป็นทางที่จะทําให้ดับสังดับสมูทยัยแล้วก็ดับอวิชชาได้นั่นเอง ตามหลักอริยสัจสี่คือปฏิจจสิบสองเนี่ยก็สอดสลับด้วยการอย่างรู้โดยในอริยรสัจสีอีกส่วนหนึ่งอีกสูตรหนึ่งได้ทรงตรัสชัดว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เรีวกว่าปฏิจจสมุ ป, ปาถ้าทำความเป็นเหตุเป็นผลหรือปฏิจจสมุปปันนธรรมส่วนที่เป็นผลอย่างเดียวก็ตาม พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมถิติธรรมนิยามมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็คือมีอยู่อยู่กับใครมีอยู่กับคนกษัตริย์มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตตามก้อนหินต้นหมากล่างไม้ไม่มีปฏิจจสมุปบาทไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใครมีครบองค์มากเท่าไหร่ทุกมากเท่านั้นขีเลดมากเท่านั้น ใครมีเหลือน้อยองคเท่าไหร่นี่องค์ในหมายถึงเต็มเ็มเลยนะฮะหรือองคหนึ่งเนี่ยมีมีส่วนขององคเหลือน้อยเท่าไหรเหลือแค่ครึ่งซิกเนี่ยอย่างเช่นว่านามรูปเนี่ยมีแต่นามไม่มีรูปเนี่ยทุกน้อยลงอย่างพวกปปลกูกประพรมนะหรือพวกอสัญญาพรงก็มีแต่รูปไม่มีนามอย่างนี้นะปฏิจจา ก, ก็องคหนึ่งเหลือครึ่งซิกทุกก็น้อยลงให้เราเองก็ อาวิชาเหลือไม่เต็มส่วนสังขารเหลือไม่เต็มส่วนทุกก็น้อยลงตัณหาถูกจํากัดลดส่วนลงไปทุกก็น้อยลงเนี่ะการปฏิบัติในปฏิจัยขอยงเราคือเริ่มจากการลดส่วนแล้วค่อยๆถอนองค์ให้หมดเป็นอ ง, องค์ๆไปทําให้กลายเป็นคนที่ปฏิจจ์แบบฟันหลอแบบพระอรหันต์ปฏิจจ์ฟันหลอ ือเหลือแต่องค์ที่เป็นรอยแผลเป็นตกครางอย่างที่ว่าอาวิชาก็ไม่มีแล้วแล้วไม่มีแล้วเนี่ยทาฟันหล่อทํางานไม่ได้เหมือนฟันเฟืองฝรังทําเกิน่ประเภทเนีเ่ยพอออกไปแล้วก็เลยทําพิธยุก็ไม่ดงังทีวีก็ไม่ติดรถก็ไม่เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับการละกิเลสหลัก สำคัญกิเลสสำคัญเบื้องต้นความรู้ในปฏิจจารเนี่ยเวลาคนรู้ปฏิจจาร์แล้วความจริงมันได้หลายอย่างเวลาท่านพูดท่านบางทีท่านพูดทีละจุดนะและแต่ละสูตรบางทีก็พูดหลายหอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เรารู้ปฏิจจารสมาบุบาทเนี่ยทําให้กุศลธรรมเราเลื่อนระดับใช่ไหมถูกไหมมรรเลื่อนระดับองค์ไตรศิขาเลื่อนระดับนั่นก็เป็นส่วนได้ส่วนหนึ่ง เมื่อเรารู้ปฏิจจสมุปบาททำให้กิเลสลดใช่ไม่ใช่กิเลสก็มีหลายตัวกิเลสสำคัญอันหนึ่งคือทิฏฐิเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังแล้วก็การรู้ปฏิจจานั้นทำให้ทุกลดใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าความสุขเกิดมากขึ้นตามส่วนก็เลยเป็นสองอย่างนะครับความ ทัวลดความดีเกิดขึ้นตามส่วนทุกลดความสุขเกิดขึ้นตามส่วนมันจะมีสองคู่อย่างนี้คู่กันไปทีนี้การละกิเลสเนี่ยเวลาพุทธเจ้าแสดงถึดดงผลในทางละกิเลสแต่ละสูตรจะมีความมุ่งหมายถ้าทรงแส ด, ดงการละกิเลสอย่างที่เป็นตัวขวางสำคัญที่เกี่ยวกับอาธิปรมอาจารย์ความเห็นผิดเนี่ย ถือว่าเป็นตัวกีดขวางอย่างสำคัญในฐานะที่เป็นอาธีปรมอาจารย์หมายความว่าคนจะเจริญในธรรมได้ถ้ามีความเห็นผิดติดหัวอยู่ในสองอย่างนี้ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นธรรมะแท้ๆเนี่ยนะครับไม่ขึ้นวิปัสสนาเอาง่ายๆวิปัสสนาไม่ขึ้นเช่นพวกที่เห็นเป็นอุดเฉทฤติปฏิบัติวิปัสสนาไม่ขึ้น ไม่ได้เลยครับไม่ขาดถือว่าขาดคุณสมบัติทางความเห็นเลยจําได้ไหมครับว่าอาทธิพรมอาจารย์อาธิพรมอาจารย์การทําความเห็นให้ตรงเป็นอาธิปรมอาจารย์ถ้าคนเห็นว่าตายแล้วศูนย์สมณะประามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีบัวบาปบุญไม่มีเนะี่ยเท่ากับปฏิเสธแรงบันดาลใจแรงจูงใจที่จะทําอะไร้มเราตายแล้วศูนย์เนี่ยจะไปทําอะไรเพื่ออะไรจูกมะ สมณะรามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเนี่ยตัวมันจะไม่เชื่อมักก็วิธีที่จะทําให้คนบริสุทธิ์ได้ว่าคนเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ติดตัวมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะไปละกิเลสโลกิเลสมันเป็นไปได้ยังไงมันจะไปทําทําไมไม่มีแรงบันดาลใจเลยที่จะทําไม่เชื่อความค่าของความถูกความผิดมันจะไปทําทําไมใช่ไหมทําก็ทําอย่างอื่นทําเพื่ออย่างอื่น ซึ่งมันก็ไม่ใช่ของแท้อีกเหมือนกันก็เว้นไว้แต่ว่าเขาค่อยๆเปลี่ยนความเห็นนี้ตามลําดับตามดๆอาจจะมีนะบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นฐานรองรับไปเลยบางคนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไหมมาลองทํานิดเปลี่ยนหน่อยทํานิดเปลี่ยนหน่อยไงนะอันนี้หมายถึงเปลี่ยนแนวความคิดนะในแง่แนวความคิดแต่ว่าถ้าในแง่กิเลสเบื้องสูงต้องค่อยๆทำแล้วค่อยๆเปลี่ยนอันนั้นเป็นระดับของการปฏิบัติ แต่ถ้าแนวความคิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแบบกระชั้นชิดเหมือนอย่างหลายหลาคนเนี่ยเปลี่ยนแบบกระชั้นชิดฟังเทศครั้งเดียวเนี่ยเปลี่ยนรบๆวมเลยแนวความคิดแล้วก็ได้ความถึงพร้อมโดยอาธิพรมอาจา ร, รย์ทางความเห็นเดี๋ยวนั้นสดสดร้อนๆพอเปลี่ยนพับฟังธรรมะแล้วธรรมะหลุดเลยไปหลุดเลยบางคนเนี่ยเขาเรียนเป็นฐานรองรับมาหลายภพหลายชาติแล้ว แต่ก็ได้แต่สร้างความพร้อมทางความเห็นทางทิศทีอย่างอื่นไม่ได้ทำเห็นถูกมานานแล้วพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ทาอะไรสักทีที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อาธิพรมอาจารย์ก็ไม่อาจจะบรรดาลอะไรได้มากกว่านั้นพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าความเข้าใจเรื่องปฏิจจาี่ยทําให้ละความเห็นอันนี้ได้สองอย่างถ้าบุคคลบรรลุ ปฏิจจขั้นอริยะแล้วทิฏฐิสุดตรงสองอย่างนี้เป็นอันขาดไปจากสันดานโดยสิ้นเชิงเลยพระโสดาบันจึงพ้นจากข้อติดขัดทางแนวความคิดเรื่องอัตตาและเรื่องสุญญะหรืออุเจทัสตสตนะไม่มีก็ดูซะหน่อยครับบางตอนบางสูตรก็ เข้าใจได้โดยง่ายแต่ทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่ามันอยู่ในความเห็นสองอย่างนั้นเท่านั้นเองครับส่วนที่หนึ่งกล่าวว่าทําสายกลางเป็นเครื่องหลีกเว้นที่ทีคือตรงสองคือรู้ความเกิดของปฏิจจาร์สิบสองเป็นเครื่องเว้นนักติตานักติตาก็คืออุดเคททติตินั่นเองเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็รู้ความดับของปฏิจจาเป็นเครื่องเว้น อัตตาสัตตติทีสัตตติฐีเนี่ยถ้าเรียกหลายอย่างโดยวหารหลายอย่างในพระไตรปิฎกอเหตุผลว่าเพราะอะไรเนี่ยผมได้อธิบายคราวที่แล้วมาแล้วว่าการเห็นความเกิดทําไมถึงละสัตตาการเห็นความดับทําไมถึงละเอเห็นความเกิดทําไมถึงละอุเจตตแล้วก็เห็นความดับทําไมถึงละสัตตาได้อธิบายแล้ว ต่อไปทำสายกลางเป็นเครื่องหลีเว้นทิฏฐิสุดตรงทั้งสองนั้นการรู้ความเกิดขึ้นของปฏิจจสิบสองเป็นเครื่องเว้นทิฏฐิว่าสุขทุกคนอื่นทำให้พูดถึงไอ้สุขทุกใครทำเนี่ยสุขทุกเนี่ยเป็นชื่อของวิบาววิบา คือก็คือพูดถึงอัตภาพพูดถึงขันโดยเน้นเวทนาเป็นตัวหลักสุขทุกข์ขันเรามีความสุขความทุกข์ใครเป็นคนทำํำนี่หาอัตตาทำถ้าบอกว่าคนอื่นทําให้คนอื่นทําให้ก็คือคนอื่นคือไม่ไม่ใช่ตนไม่มีตนสิ่งคือหมายว่าสมมติว่าสุขทุกข์ของเราเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก กระบวนการเหตุผลในตัวของเราเองมีสิ่งอื่นบันดานลในอะไรก็เท่ากับปฏิเสธว่าเราในอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมามีชีวิตจิตใจมีสิ่งอื่นสร้างสารรค์มาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยวงจรของกรรมและวิบากมันก็ไม่มีชาติก่อนก็ไม่มีเพราะปุบ ป, ปับก็โผล่ขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าบอกว่าสุขทุกตนดำเอง นี่เป็นโมหานนะฮะโมหานที่เขาเรียกกันสมัยก่อนอย่างนี้หมายถึงสัตสตาธิติที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีอัตตาเป็นตัวเวียนไหว้ตายเกิดและเป็นผู้สร้างเหตุสร้างกรรมทําให้เราต้องมาทุกข์ในภพนี้ชาตินี้หรือภพหน้าชาติหน้าต่อไปเ อ, อท่านที่ใหม่กับการฟังพระสูตรเนี่ยก็อาจจะฟังแล้วงงนะ ว่าพระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยเอายังไงกันแน่ปฏิเสธเรื่องการเวียนไว่ายตายเกิดไม่ใช่ค่ะปฏิเสธอัตตายอมรับว่าการเวียนไว่ายตายเกิดมีกรรมมีการกระทํากรรมมีแต่ไม่มีอัตตาตัวตนเป็นเจ้าของมีแต่ความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตืบต่อกันไปของกระบวนการนามรูปเท่านั้นต่อไปสลีละกับชีวะ ที่ว่าเป็นเครื่องเว้นความเห็นว่าชีวะกับสลีล่าเป็นอันเดียวกันพวกนี้เป็นอุเฉทะอีกอุเฉทะเนี่ยเขาถือว่าชีวะคือชีวิตความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกับร่างกายเนี่ยไม่ได้แยกกันไม่ใช่มีจิตมีวิ ญ, ญญาณเป็นอีกอันหนึ่งซุกอยู่ในร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันคอขาดก็ชีวะความมีชีวิตก็หายไปเมื่อเราตายถึงป่าชา้าก็ชีวิตก็หมด ชีวะก็หมดชีวะกับสลีละจึงไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่พวกที่เห็นว่าชีวะกับสรีละเป็นคนละอันกันหมายถึงชีวิตเนี่ยเป็นอัตตาชีวะสลีละนะเป็นที่อาศัยของอัตตาคนละส่วนกันแต่อยู่บนกันถึงคราวตายร่างกายตายสลีระตายแต่ชีวะไม่ตายเวียนว่ายตายเกิดไปรับกรรมทำบุญทำบาปสืบต่อไป พยายามจะอธิบายเป็นอัตตาอย่างนี้ของเราว่าการเวียนว่าแต่เกิดมีแต่อัตตาไม่มีจิตตายแล้วเกิดใหม่มีแต่จิตเก่ากับจิตใหม่นั้นมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามระยะของเหตุปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่ใช้คำว่าสัพพะมัติตากับสัพพะนัตติตา ที่ว่าผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมสายกลางเนี่ยละทิตฐีสุดตรงสองอย่างคือสัพพะมัติตาสิ่งทั้งปวงมีสัพพานติตาสิ่งทั้งปวงไม่มีคำว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยหมายถึงอัตตาทั้งหลายอัตตาทั้งหลายได้แก่เราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นอัตตาทั้งหลายเหมือนเราพูดว่าสัตว์ทั้งหลายแหละ อัตตาทั้งหลายมีจริงหรือไม่พุทธบอกว่าไม่มีนี่พวกที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีก็คืออัตตามีแต่พอมาถึงว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีสัพพานติตาข้อนี้เ้าหมายถึงไม่มีเนี่ยคือไม่ไม่มีอัตตาด้วยแล้วไม่มีอะไรที่เป็นนามเป็นรูปด้วยเป็นอุเฉตะ สภานติตาเนะี่ยเป็นอุเฉทาก็อย่าไปติดคำพูดมากนะให้นึกว่าเขาเรียกกันอย่างนี้แล้วเขาหมายถึงอุเฉทาว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเนี่ยก็คืออัตตาไม่มีตายแล้วก็หมดไม่มีอัตตาเวียนว่ายแต่เกิดที่นั่งอยู่นี่ก็มีแต่ร่างกายเป็นเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง ท, ทําท่าเหมือนก็มีชีวิตส่งเสียงได้ถอยหน้าได้หลังได้เร่งได้เบาได้กินน้ํามันได้แต่ไม่มีอัตตาหรอกพอเสียก็ก็ มีอะไรติดขัดก็ไม่มีปฏิกยาอะไรเลยนะนั้นอัตตาทั้งปวงไม่มีเลยสักอัตตาเดียวเป็นอุเฉทะจิตวิญญาณไม่มีเขาปฏิเสธถึงขั้นนั้นเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่อัตตาไม่มีจิตวิญญาณที่จะมาเป็นอัตตาเนี่ยก็ไม่มีแต่ของทางพุทธเราเนี่ยเราถือว่ามีจิตวิญญาณแต่ไม่ได้มีอย่างเป็นอัตตานะร่างกายมีแต่ร่างกายก็ไม่ใช่อัตตา วิญญาณที่อยู่ในร่างกายก็มีแต่มันเกิดดับเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยไม่ได้เป็นติดการในตัวมันเองวิญญาณมีแต่ไม่มีอย่างเป็นอัตตาี่ของเราจรึงอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับของเขาไม่มีก็ไม่มีเลยไอ้มีก็มีอย่างเป็นอัตตาเลยของเรามีอย่างไม่เป็นอัตตาสุดท้ายของเรื่องความเห็นที่บอกว่าโลกายะตะโลกายตะสี่ทิฏฐิโลกายะตะเนี่ยแปลว่าเครื่อง สิ่งเชื่อมต่อโลกคำว่าสิ่งเชื่อมต่อโลกเนี่ยท่านหมายถึงเวลาที่เราเกิดใหม่เวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยปัญหาว่ามีอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงไหมเชื่อมโยงว่าเมื่อก่อนเราเกิดชาตินี้แล้วไปเกิดชาติใหม่ถ้ามีสิ่งเชื่อมโยงมันคืออะไรอย่างว่าคนตายแล้วเกิดเนี้ยมันมีอะไรเป็นตัวเชื่อมโยง มันถึงจําได้ถึงอะไรได้เรารับกรรมจากชาติก่อนมีอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงตรงนี้พวกสัตวตตถิฐิเขาก็บอกว่ามีอัตตาเป็นตัวยืนเชื่อมโยงการแก่การเจ็บการตายเนี่ยเป็นอาการข้างนอกตอนนั้นเราถึงจําอะไรได้ถึงกลับถึงรับกรรมได้เนี่ยก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอัตตาเป็นตัวเชื่อมโยงทีนี้พวกที่เขาปฏิเสธว่าไม่มีอัตตาเขาก็ถือว่าชาติหน้าไม่มีตัวเชื่อมโยงไม่มีตายแล้วก็แล้วเลย เป็นความเห็นขีกแนวออกไปแบบกับตลับปัดกับพวกแหลกก็เลยขอให้ดูว่าที่เขากล่าวว่าสิ่งทั้งปวงมีก็คือว่าชีวิตใหม่มีอัตราเชื่อมโยงสิ่งทั้งปวงไม่มีอัตราไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีเพราะไม่มีตัวเชื่อมโยงสิ่งทั้งปวงมีภาวะอย่างเดียวกันนี่ข้อนี้ ก็คืออัดร่างกายกับชีวะหรือสลีละกับชีวะเป็นอันเดียวกันมันเลยความซ้ำกันนะซ้าความในทางความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีภาวะอย่างเดียวกันก็คือสลีละกับชีวะนั้นไม่แยกจากกันเป็นอันเดียวกันนั่นเองครับให้จำไว้ตรงนี้สิ่งทั้งปวงมีภาวะต่างกันก็คือร่างกายกับจิตใจนั้นแยกกัน โดยจิตใจเป็นอัตตาร่างกายไม่ใช่อัตตาร่างกายตายแล้วก็มีภาวะสลายไปอัตตามีภาวะเวียนว่ายเชื่อมโยงไปสู่ชาติใหม่ต่อไปของเราก็วาแยกกันแต่ไม่ใช่อัตตาเหมือนเส้นพรมสองเส้นไม่ใช่เส้นเดียวกันแต่ทั้งสองเส้นก็ไม่ใช่อัตตา คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจนถึงขั้นอย่างที่อพวกพวกเราเราล่าแล้วแสดงความเข้าถึงให้ฟังว่า <ide> เวลาปฏิบัติธรรมแล้วไปไปเห็นคนโกรธเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่ า, าความโกรธมันอยู่ตรงไหนเ ว, เวลาเราเรากโกรธเนี่ยเราจะตีคลุมทั้งตัวถูกไหมนี่เป็นจุดต่างอันหนึง่งเราจะตีคุมหัวจดเท้าเนี่ย เขาโกรธเราโกรธเราตาก็โกรธจมูกก็โกรธผมก็โกรธแล้วก็โกรธเราหมดเลยเสื้อผ้ายังโกรธเลยรองทงารองเท้าก็โกรธเราหมดไอ้ที่มันอยู่ในตัวเขาเราโกรธหมดก็ทั้งว่าผ่านบ้านบ้านก็โกรธเราผ่านหมาหมาของเขาก็โกรธเราเนี่ยมันตีรวมหมดทีนี้พอปฏิบัติทํามันมันจะเริ่มค่อยๆแยกจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่เขาตาเขาจ้องเขาหม่งเราเนี่ยตาไม่ได้โกรธสิ่งที่เขาโกรธเราคือความรู้สึก อันหนึ่งที่มีลักษณะประตูสไลด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมองตาก็เห็นใจตาเออไม่อยู่กับไอ้ไอจิตแบบนี้วิญญาณแบบนี้ก็เดือดร้อนตุลน์ตุลายตาลูกตาแดงเนี้ยนะไม่รู้สึกเกลียดตาไม่รู้สึกเกลียดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดความโกรธนะยังมีความรู้สึกว่าความโกรธเนี่ยของใครๆก็ร่วมกันมีลักษณะร่วมกันลักษณะเหมือนกันไอ้ที่เราเรียนอวิธามเนี่ย ตรงกับคนปฏิบัติเห็นเขารู้สึกและมีความรู้สึกว่าไอ้ความโกรธที่ไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ของใครเลยเออไอพอพูดตรงนี้เขาอย่างเราเข้าใจไม่ค่อยรู้สึกชัดเจนใช่ไหมฮะแต่คนปฏิบัติเนี่ยเขาเพิ่งมาเข้าใจโอ้ที่บ่กความโกรธไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไอ้ที่เราเคยโกรธก็ไม่ใช่ของเราไอ้ที่เขาโกรธก็ไม่ใช่ของเขา ใครโกรธทั้งโลกนี้ความโกรธนั่นก็ไม่ใช่ของใครเลยที่นี่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เข้าถึงคนที่ไม่เข้าถึงไม่ได้ความกระจ่างชัดตรงนี้ว่าเวลามันรู้สึกว่าไม่ใช่ของใครเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะพูดเหตุผลอะไรให้คนเข้าถึงทางความรู้สึกได้เหมือนเราบอกโอ้ตายแล้วก็ไปไม่ได้บางคนก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกใช่ไหมฮะ แต่บางคนเนี่ยไปงานศพเห็นว่าเอออะไรก็ไปไม่ได้เวลายิ่งพิจารณาโอ้โหทแทบลม้มจะตายทําไปทามาโตก็แก่ลงยิ่งได้มายิ่งรู้สึกหมดความเป็นเจ้าของมากขึ้นนะนะยิ่งรวยขึ้นคือยิ่งหมดความสิทธิน้อยลงรวยขึ้นสิทธิน้อยลงจนกระทั่งตายโครมสิทธิทหมดเลยไอตอนจะฮะงัะงงาปังงาสิทธิทค่อ ย, ค, อยค่อยหมดนหละไอเราไปงานศพคนรวยหรือเห็นชีวิตคนรวยเนี่ยนะโอ้ที่รวยที่แก่แก่ด้วยนะ ป่วยๆได้เป็นมาลงมะเร็งเป็นอะไรแต่อละลายแต่ละลายและ้วมันหมดลงน้อยลงหมดลงน้อยลงงั้นก็ถ้กไครที่รวยๆอยู่ก็รีบๆแต่หลงซะแต่ตั้งแต่ตอนยังหนุ่มยังสาวนี่อย่างนี้แนะนําถูกไหม <laughs> ก็ไม่ถูกอีกนะเพราะฉะนั้นไอ้มาคิดตรงเนี้ผมไอ้เราผมก็คิดนะก็รู้จักคิดอันนี้มาตั้งกันตั้งกันหนุ่มกันน้อยแล้ว มันเนี่ยเห็นคนเขาแก่เขารวยเขาแก่แล้วก็เขาอย่างเขาอะไรกันไปนะมางคนก็ยกให้สมบัติได้ให้ลูกให้แล้วไปตกไปเป็นไอ้ลูกของตัวเองไปแต่งงานคนอื่นเนี่ยยกให้ลูกหน่อยลูกตายก่อนเขาอตัวเองยังไม่ตายลูกตายแล้วอ้าวเลยไปไปตกของเก๋ยของสะใภ้เงี้ยแล้วถ้ามันดีมันก็ยังช่วยบางคนไม่คือดีครับแต่ว่าอ้าวมันเอาสมบัติตัวที่หามาแทบตายชุบมือเปิดไปแล้ว หลานก็ไม่มีหลานมีก็ยังเอยังชัวนะ่วนงให้หลานตามทวงคืนเออนี่เรามองดูเงี้ยว่าอืมถ้าเรารีบทหลุงหรือทำตัวแบบคนไม่เอาไหนอย่างเงี้ยนะเรียกว่าตามข้อสารกอกหะมอหรืออะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ถูกอีกไอ้คันจะเก็บหมอเราลืมมันก็ยิ่งจะหมดสิทธิ์อีก ไรใจทําไงเราก็นึเออนี่มันเป็นอนัตตาตรงนี้เองนะมันไม่ใช่ของใครนี่มันคือความเหนื่อยเปล่าในสังสารวัฏนี้ความเหนื่อยเปล่าที่เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นทํำยังไงมันถึงจะให้เอาไปได้แบบ่ไม่ต้องไปนั่ ง, งหลงให้มันเสียสัมมาแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บถ้าจนกระทั่งว่าพอตายเอาไปไม่ได้คนอื่นหลงแท <c oughs> นมันก็มีทางออกนะว่าเออทางออกว่าเอถ้าเราหาทรัพย์เราจะไปทํำยังไงดี นะถ้าเราจะไม่ไปหาเราจะเอาแรงไปทําอะไรดีอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องไปหาทรับมาแล้วเอาซับไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เอาไปได้อย่างนี้เรียกว่าโลภเหนือชั้นคือโลภเหนือชั้นหมายถึงตัณหาที่ละเอียดกว่าธรรมดาแต่ก็ยังเป็นตัณหาอยู่นั่นเองนะเอาอะไรไป <laughs> ทําแล้วไ ม, ไม่ไม่ทิ้งทําบุญก็ไม่เอาอะไรยังไม่เอาทําแล้วก็กิริยาหมดให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติไอ้ย่างนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งใครที่ พบทางแล้วเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็พบทางได้เนี่ยก็ดีมีเงินเยอะๆอะไรรู้สึกพร้อมตายได้มาหล่ก็ดีตายมาหลายได้ดีเนี่ยก็แสดงว่ามีความเตรียมพร้อมดีเราพูดต่อไปครับตามในนี้ผู้รู้ปฏิจจะสิบสองโดยในสัจจะสี่อันนี้เป็นการแสดงปฏิจจะสิบสองแบบคูณกับอริยสัจสี่เพราะปฏิจจะในเวลารู้จะรู้อย่างอริยสัจสี่ อเลสซี่เนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์อัตโนมัติหรือเป็นเกณฑ์พิจารณาที่ทำแล้วมันได้พร้อมๆกันพัฒนาชีวิตทำบุญทำกุศลเนี่ยเราเนี่ยทำทาชั่วก็สีอส่อย่างมาแต่มันมันตรงกันข้ามไงทำดีก็สี่อย่างมาตรงกันข้ามเพราะว่าเราทำบุญเราได้อะไรได้ความดีได้ความสุขกุากบุญแล้วก็ พ้นจากความชั่วความรู้สึกสร้างต่ําที่ลง้างข้างกับบุญนั้นพ้นจากความทุกข์ที่มันเกิดเพราะไอ้ความรู้สึกสร้างต่ําที่มันเกิดจากบาปนั้นใช่ไหมนี่ถ้าเราทําความชั่วเนี่ยมันกลับตาละปัดกันทุกมากิเลสมาบุญไกลออกอความดีไกลออกไปความสุขไกลออกไปเนี่ยเราจะหลับหูหลับตาทําไงก็ต้องได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมการกําหนดรู้ธรรมะ มันก็ต้องได้ทั้งทั้งสี่นี้ทีนี้ไอเวลาได้ทั้งสี่เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าคนทําโดยไม่ไม่มีไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็ได้โดยปริยายอย่างเราเคยคิดเคยวิเคราะห์เคยรู้ไหมว่าเราทําความชั่วครั้งเราเราได้เราได้สี่ทำดีครั้งเราได้สี่สี่เนี่ยมันก็มีซีกดีซีกไม่ดีอยู่นะคือมันมีซีกใหญ่ซีกละสี่และไอสี่เนี่ยก็เป็นสองซีกซีกละสอง ทำข้างผิดก็ไอ้ซีกชั่วซีกดีอัตราส่วนอย่างหนึง่งทำข้างถูกก็ซีกดีซีกชั่วอัตราส่วนอีกอย่างหนึง่งเราไม่รู้ไะนี่เรามาเรียนอะไรกันก็จะนี้ถ้าพูดถึงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเรื่องของกระบวนการทางการฝึกปัญญาเวลาปฏิบัติเนี่ยมันได้โดยปริยายด้วยแล้วก็ได้โดยรู้ด้วยว่าบัดนี้เนี่ยความทุกข์เราลดเรารู้ความดีเราเพิ่มเรารู้แล้วก็ อความสุขความทุกข์ลดเพิ่มเรารู้มันจะรู้อย่างนี้ทีนี้ไอร้รู้มันก็รู้เป็ น, นขั้นๆไปอย่างนะเราถึงว่ามันถึงไปถึงจุดตันบางเจออว่าเออปฏิบัติ ท, ทําแล้วทําไมถึงชั่วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกข์มากขึ้นไอ้อย่างนี้คือบางบางระดับเราปัญญาเราไม่ถึงพอไปถามผู้รู้จึงอธิบายว่านี่ไม่ใช่อย่างั้นอย่าง น, น, างนี้อย่างที่เข้าใจนะที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องของการได้ที่มันออกมาในรูป อย่างนั้นก็ดูซะหน่อยครับผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอริยสัจสี่คือไม่รู้สภาพสภาพก็คือเช่นอวิชชามีสภาพอย่างไรไม่รู้เหตุเกิดว่าวิชาเกิดจากสังขารแล้วก็ไม่รู้ความดับว่าอาวิชชาดับเพราะสังขารดับและไม่รู้ปฏิปทาสู่ความดับคือมักแปดไหมักแปดพูดฟังสูงนะแต่ ว, ว่าจริงๆก็คือ มักแปดก็มีอยู่ในบุญกิจยาทั้งหลายนั่นแหละครับมีมากมีน้อยเข้มข้นแค่ไหนเราก็ทำบุญด้วยมักแปดหรือด้ทานศีลภาวนานั่นแหล ะ, ะผู้นั้นไม่ชื่อว่าและไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นสมณะพระก็หมายถึงการบวชหรือการเข้ามาเป็นสมณะโดยการประพฤติทธรรมก็ดีทีนี้ถ้าเป็นผู้รู้ก็ตรงกันข้ามกัน อก็มีสูตรแสดงเรื่องเนื้อความอย่างนี้ไว้หลายสูตรแล้วก็ปฏิจจ ա สิบสองเนี่ยองคไหนเป็นเหตุองคไหนเป็นผลแลดับองคไหนอะไรเป็นทางสู่ความดับในนี้ก็มีบอกแล้วแล้วผู้ที่รู้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ชิดประตูนิพพานก็คือเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นสูงตัวเองก็นมไปสู่นิพพานใกล้นิพพานอยู่ชิดประตูนิพพานเอ็นิพพานมีประตูด้วยเหรอ ประตูนิพานลงรักปิดทองป่ะแล้วก็ต้องใส่ลูกลงเหล็กแบบประตูวัดสุดทัศน์โบสถ์พระสุทัศน์วัด เ, เบญจมาปพินถาป่ากลัวขโมยมาขโมยขโมยประตูก็พูดเป็นสโนวเปียบเทียบไปเท่า น, นั้นเองอ่ะมักเป็นทางก็ไม่ได้เป็นเส้นทางเป็นมักกวิธีเทียบสมมุติว่าเหมือนกระทางเดินไปสู่ที่หมาย ที่ต้องการเท่านั้นและในการรู้เนี่ยรู้ปฏิจจะโดยอริยสัจสีเนี่ยแต่ละหน่วยของความรู้เนี่ยท่านเรียกเป็นยานอันหนึ่งเลยครับเป็นปัญญาอันหนึ่งเลยมันจะไม่มีความรู้ใดที่โผล่ขึ้นมาโดยไม่ผ่านกระบวนการของการกำหนดรู้โดยหยาบเป็นสาระเป็นคุณค่าอันหนึ่งอันหนึ่งเลยเหมือนว่าเรา อ่านธรรมะแต่ละเนื้อความแต่ละเนื้อความเนี่ยนะเป็นความรู้อันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นสุตตะมยปัญญาอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้เวลาคนปฏิบัติเนี่ยเขาไปเห็นกิเลสแต่ละตัวเนี่ยเป็นความรู้อันหนึ่งอันหนึ่งเลยแล้วก็เห็นความรู้ในแง่มุมอื่นๆอันเกี่ยวด้วยกิเลสนั้นก็ดีหรือเกี่ยวด้วยกุศลภาวนานั้นก็ดี เกี่ยวด้วยความสุขความทุกข์นนก็นดีเป็นปัญญาอันหนึ่งอันหนึ่งเลยทีเดียวถึงแยกหน่วยออกมาเป็นหน่วยปัญญาเยอะแยะไปหมดและหน่วยเหล่านี้เมื่อมีใครมาถามถึง อ, อปฏิจจะองค์ใดในแง่ใดเนี่ยเขาจะตอบได้อย่างชัดเจนจะเข้าถึงอย่างลึกซึ้งชัดเจนและความเข้าถึงอย่างนี้มันจะจับใจจับลึกอย่างเทียบกับ ความรู้ในเชิงปริยัตินั้นไม่ได้เขาเรียกว่าธรรมยานยานในธรรมคือองค์ธรรมได้แก่องค์ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็องค์อริยสัจสี่แล้วก็มีอันวิยะยานอันวิยะยานในแปลว่ายานคล้อยตาม <c oughs> หมายความว่าเป็นการรู้แบบก้าวกระโดดล้ําเลยไปถึงอดีตล้ําเลยไปถึงอนาคต แล้วก็ปัจจุบันด้วยเรียกว่ามองปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมไปถึงอดีตเชื่อมไปถึงอานาคตพรับพรับถึงเลยรวดเร็วยังกะข้อมูลทางดวงข้อมูลเดี๋ยวนี้ภาวนาปัญญาเนี่ยรวดเร็วมากแบั๊บแป๊บเนี่ยสังหรณ์ถึงหมดเลยสังหรณ์ยังไงเป็นสังหรณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วบางคนโทรศัพท์มาหาบอก เอเดี๋ยวนี้ชั้นนานวันชั้นสังขรณชั้นแม่นขึ้นทุกวันทุกวันแต่สังหอน์เนี่ยบางคนไม่ดีสักเรื่องนะ่ะไอด้ดีๆไม่สังขอน์นะมีคนหนึ่งโอ้โหสังหรณ์แต่แล้วเกิดเรื่องทุกทีจะออกจากบ้านเจออะไรเนี่ยต้องสังหรณล่วงหน้าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยก็ทั้งจะหุงข้าวเนี่ยสังหรณ์ไม่ดีปรากฏวันนั้นกระทะไหมมีเรื่องาราวกะทะไหมไฟไหม้เตาอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้บางคนก็คำพูดศักดิ์สิทธิ นี่เป็นอีกลายนะึ่อยู่เจลาคาพูดศักดิ์สิทธิ์มากแต่ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ดีสักเรื่องนะสมมว่าเขียนหน้าใครบอกเดี๋ยวคนเนี้หัวแตกไนงะมันรู้สึกเลยแล้วก็ต้องบอกคือนคนทำให้เรานึกถึงพ่อส่ากลายนะนี่เขาก็ามามีปัญหาถามเอ๊ะมันเป็นหรือมันทำไมเป็นอย่างนี้คือเวลาคนบางคนเวลาเขารู้แล้วปากไม่ทำงานรู้แล้วก็เก็บในใจแต่บางคนเนี่ยมันสัมผั์กับปาก พอแวบขึ้นมาในใจเนป่ากหลุดหลุดปากเลยแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็ยกตัวอย่างเยอะแยะยังปากมาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องไม่ดีนี่ก็ถามเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสามเหตุผลว่าเออทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคือหนึ่งว่าทําไมถึงพูดแล้วมันจริงแล้วก็ทําไมถึงต้องไม่ดีไอ้ดีๆไม่พูด แตั้งมาเห็นหนาโมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเร็วๆนี้อก็อยิ่งชั่วหน่อยอย่างนี้ไม่มีเนี่ยก็เป็นชีวิตประหลาดอันหนึ่งของของคนนะฮะผมเสียจริงไว้ไม่ตอบตอนนี้ตอบแล้วต้องอธิบายเยอะเวลาจะหมดแล้วก็ลองไปไปพิจารณาดูมีโอกาสจะลองแยกแยะให้ฟังบางคนเขาก็ดีอะหมายถึงรู้แต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆ ไอ้ไม่ดีไม่พูดแล้วบางคนก็ทั้งสองอย่างมันเกี่ยวกับเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างอยู่หรือผมขอผ่านเลยไปถึงยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็อันนี้ก็เป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่ผู้รู้รู้ขยายตัวนอกเกินอาเรียสัตว์ครับอีกอาเรียสัตว์เนี่ยบวกการเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันครับอีกนะ ตรงนี้ยังมีส่วนนอกเกินเข้าไปกว่านั้นอีกก็มีที่บอกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะนี่คือรู้ความเกิดเมื่อไม่มีคือชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีนี่รู้ความดับแม้อดีตอนาคตปัจจุบันอ่านี่ก็รู้โดยการก็เป็นอย่างนี้ คือเรียกว่าการสามทั้งสายเกิดสายดับรู้หมดแล้วข้อเจ็ดที่ดูยากหน่อยก็คือธรรมาิีติของชาติมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาข้อนี้ท่านหมายความว่าเป็นการรู้พัตรไหรลักรู้พัตไรหรลักของอะไรของตัวชาติด้วยของเหตุเกิดชาติด้วยหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งในยานในพกว่ารู้ภัตไรหรลัก ของนามและรูปพร้อมทั้งปัจใจของนามรูปเรียกรวมว่าธรรมธีติว่าเป็นของไม่เที่ยงทำให้ละกิเลสได้อย่างเข้าถึงก็ตรงข้อที่เจ็ดนี้ประเด็นที่เจ็ดครับยานของพระอริยสาวกที่แสดงปัวพันกยานอริยสาวกนะก็ จะเห็นว่าละความสงสัยมียานอย่างรู้แล้วก็ได้คุณธรรมอื่นประกอบมากับการรู้นี้ด้วยในข้ออื่นๆที่เราเคยพูดถึงกันบ้างแล้วที่เ้าเรียกว่าโสตปฏิยังคะธรรมแล้วไปจนถึงอริยญายธรรมในปฏิจจสมุปบาทและอริยสาวกผู้ได้สดับมนริการโดยแยบขายอันนี้ก็หมายถึง ปฏิบัติวิปัสนาย่อมเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลุดพ้นจากขันคือเวลาบอกว่าหลุดพ้นเนี่ยแทนที่จะบอกว่าหลุดพ้นตักปฏิจจะก็บอกว่าหลุดพ้นจากขันพร้อมเป็นอันเดียวกันนะะแล้วก็เรื่องท่านมุสิละที่รู้ปฏิจจะและท่านเป็นพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งคือท่านท่านนารทะรู้ปฏิจจะไม่เป็นนี่ก็ต้องการจะบอกว่า การรู้ปฏิจจะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นจึงจะรู้ได้อรหันต์รู้สมบูรณ์เท่านั้นเองต่ําลงมากว่านั้นก็รู้ได้เราก็รู้ได้ในขั้นเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ราฉะนั้นทุกวันนี้เราก็รู้ปฏิจจะแล้วก็ได้ประโยชน์จากความรู้นี้ตามส่วนตามควรแก่ภูมิปัญญาระดับของเราและผู้ที่ไม่ได้ภัญญาก็รู้ปฏิจจะสมุปบาทได้ ประเด็นที่แปดพูดถึงธรรมกระถึกและผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อนี้ก็จะไม่อธิบายว่าสแสดงธรรมได้ชื่อว่าเป็นธรรมกระถึกเพรา ะ, สะแสดงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเบือ่อนายในปฏิจจสมุปบาทคลายกำหนัดกระดับปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งหมดนี้ที่พูดถึง ปฏิจจ์องค์สิบสองเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผู้เจ้าแสดงเรื่องปฏิจจ์สิสองด้วยไนยะสังข้อเท็จจริงบ้างมุมปฏิบตับติบ้างเกี่ยวพันกับบุคคลผู้ปฏิบตัติผู้รู้บ้างผู้แสดงธรรมเกี่ยวปฏิจจสมุปาทบ้างวันนี้องค์พอสมควรก่บเวลานะครับ